คนที่ปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอมันก็บ่งบอกได้ว่าเราก็เป็นบุคคลที่อยากจะพ้นทุกข์เป็นผู้ที่เห็นทุกข์เห็นทุกข์อยากพ้นทุกข์มันก็เป็นคุณสมบัติเนี่ยที่ทำให้คนเราอยากจะมาปฏิบัติธรรมนะอันนี้ต้องเรียกว่าทางตรงก่อน เพราะว่าคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในศาสนาเนี่ยก็มีหลายๆวัตถุประสงค์สมัยนีย้หลายๆอย่างหลายๆวัตถุประสงค์อันนี้ก็พูดในเฉพาะคนที่เข้ามาตรงทางตรงวัตถุประสงค์อย่างที่พระพุทธเจ้าวางแนวเอาไว้ให้ก็คือถ้าเห็นทุกข์ก็ ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ลดทอนความทุกข์แต่กันที่เราปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราได้ตรวจสอบมันสอบทวนแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันจะต้องมีความก้าวหน้ามีความคืบหน้าทางด้านจิตใจแน่นอน แต่ถ้าสำหรับคนที่ปฏิบัติทมแรกๆมันก็เหมือนคนที่ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆมันก็อาจจะยังไม่ได้น้ำได้เนื้อแต่อย่างน้อยๆถ้าเราขยันถ้าเรามีแก่ใจที่จะฝึกหัดไม่ย่อท้อ ที่มันย่อท้อเนี่ยมันก็มาจากเรามีความอยากในผลของการปฏิบัตินี่แหละใจเรามันอยู่กับความอยากสมาคแต่ถ้าใจเราอยู่กับเหตุวิธีการที่เรากำลังทำอยู่คอยตรวจสอบดูว่ามันตรงแนวไหมมันมีข้อบอกพร่องที่เราจะต้องแก้ไขตรงไหนไหม แล้วก็ปรับปรุงมันให้ดีสักวันหนึ่งมันต้องได้น้ําได้เหนือแน่นอนมันต้องมีผลจากความเพียรที่เราประกอบดีแล้วมันต้องให้เราได้เชยชมผลอนั้นแน่นอนพอเราได้รับผลในเบื้องต้นเนี่ยก็ ค, คือความสงบที่เกิดขึ้น ภายในจิตใจอารมณ์จากเรื่องที่มันวุ่นวายอยู่ในจิตใจอารมณ์ทั้งในเรื่องอดีตอารมณ์ทั้งในเรื่องอนาคตความกังวลต่างๆพอมันได้สงบระงับดึงกลับมาอยู่ในปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ที่มันไม่ฟุ้งซ่านหลีกไกลจากเครื่องเศร้าหมองของใจ ที่เรียกว่านิวรณนพอนินวร์มันได้สงบระงับลงไปใจมันก็สบายขึ้นจากที่วุ่นวายก็ไม่วุ่นวายใจมันก็จะเบาสบายขึ้นไม่หนักการที่เราได้รับผลคือความสงบภายในจิตใจ มากก็ดีน้อยก็ดีมันก็เป็นการตอกย้ำความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติของเราแต่แน่นอนแหละการที่เราได้ผลจากการปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะตรงอย่างเดียวตรงในที่นี้หมายความว่า มันจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยทำให้เราออกนอกทางหรือให้เราถอยหลังกิเลสมันก็ไม่ยอมให้เราไปง่ายๆแน่นอนมันก็ต้องขยันสร้างอุปสรรคสร้างทางเบี่ยงหรือไม่ก็หลอกให้เราหลงไปอีกทางหนึ่งให้ได้สำหรับคนที่ปฏิบัติได้ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ย ในทางที่มันจะเอามาหลอกล่อได้ดีก็คือทางที่เรียกว่าความประมาทเพราะว่าเราเคยได้รับผลชีวิตเราจิตใจของเรามันได้รับการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนจากคนที่เคยเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวสามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินไปได้ แล้วก็พอที่จะมีกำไรกำไรในการงานของตนซึ่งคนที่ผ่านจุดตรงนั้นมาได้เนี่ยมันก็มีอยู่สองประเภทนั่นแหละคือคนที่มีความไม่นิ่งนอนใจเขาก็จะตั้งหน้าตั้งตาที่จะขยันทำงานพัฒนากิจการไปแต่มันก็จะมีอีกพวกหนึ่งที่รู้สึกว่า เราได้แก้ปัญหาเรียบร้อยชีวิตเรามีความมั่นคงเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยก็จะเริ่มใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจากที่เคยทำงานหนักลำบากตรักตรา ม, มาตอนนี้มันถึงแก่เวลาแล้วที่เราจะได้เสวยความสะดวกสบายบ้างหาความสุขได้ ตามอัตภาพตอนนี้แหละเราก็หามันให้มันเต็มที่พอหาความสุขให้มันเต็มที่เนี่ยมันก็ทำให้เริ่มที่จะย่อหย่อนในการงานนอนดึกตื่นไม่ไหวเริ่มที่จะผลัดวันประกันพรุ่งมันก็จะ เป็นเหตุที่ทำให้เราได้หลุดออกจากทางของความเจริญของเราไปมันก็จะเห็นแหละเร่อเหลี่ยมของกิเลสมันมีเยอะแยะไม่ใช่ว่ามันจะหลอกล่อได้ผลดีกับเฉพาะบุคคลที่ไม่เห็นทุกข์ไม่ศึกษาเรื่องทุกข์คือ บุคคลประเภทนั้นนี่มันของตายตัวของกิเลสอยู่แล้วสบายๆแต่สําหรับบุคคลที่เริ่มที่จะเห็นทุกข์เริ่มที่จะหาทางออกจากทุกข์ก็ไม่ใช่ว่ามันจะสอยกินเอาง่ายๆไม่ได้มันก็ได้เหมือนกันเพราะเล่ห์เหลี่ยมมันเยอะซึ่งถ้าใครไม่เท่าทันไม่รอบครอบ มีความประมาทเกิดขึ้นในใจมันก็จะเริ่มที่จะถอยหลังถอยหลังเริ่มที่จะออกนอกทางเริ่มที่จะไปในทางเสื่อมเสื่อมจากความดีทั้งหลายที่เราเคยหมายมั่นปั้นมือเคยตั้งหน้าตั้งตาที่เราจะทำอันนี้ก็เป็นภาพแบบทางโลกนะ คนประกอบธุรกิจทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีแค่นี้จริงไหมสำหรับชีวิตหนึ่งหนึ่งของคนงเราชีวิตหนึ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นของคนของสัตว์หมู่สัตว์เนี่ยแหละมันก็มีประกอบไปด้วยสองอย่างใช่ไหมทั้งภายนอกเรื่องหาอยู่หากินอย่างหนึ่ง แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับทางด้านการงานภายในทางด้านจิตใจที่มีเป้าที่เราวางเอาไว้ที่พระพุทธเจ้าปักธงเอาไว้ให้ก็คือเราจะพ้นจากวัฏฏะทุกข์นี้เราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาบนรับทุกข์ ทั้งทุกประจําคือเกิดแก่ตายทั้งทุกจอคือความโศกเศร้าร่ำไรร่ำพันอยากได้แล้วก็ไม่ได้อะไรเหล่านี้มันก็จะเวียนวนกลับซ้ำมาเรื่อยถ้าเรายังมีเชื้อของความเกิดอยู่กับใจของเราอยู่สําหรับผูท้ที่พยายามจะ กระเสือกกระสนดิ้นรนให้มันออกจากวัฏจักทุกอันนี้ให้ได้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นเพราะว่าเป็นช่วงที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่ถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันพระนิพพานไปแล้วแต่พระธรรมที่พระองค์ทรงแ ส, สดงเอาไว้ก็ยังดีอยู่ ยังครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ผู้ที่ปฏิบัติตามรู้ธรรมเห็นธรรมได้รับผลเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าในสมัยนี้ก็ยังมีอยู่เพราะะนั้นเป็นช่วงโปรโมชั่นที่ใครจะตักตวงแล้วก็พาตนให้มันพ้นจากทุกข์ไปได้ซึ่งถ้าหลุดช่วงโปรโมชั่นนี้ไป ในขณะที่เป็นช่วงที่ไม่มีศาสนาเป็นช่วงที่ไม่ได้มีคำสอนหลงเหลื อ, อไว้มันก็เป็นการต้องด้นเดาเก่าหมัดกันไปว่าอะไรเป็นเหตุของความดีอะไรเป็นเหตุที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้อะไรที่มันเป็นเหตุดีที่จะทำให้ผลดีในเบื้องต้นแล้วก็ดีในถ้ำกลาง และดีในที่สุดด้วยถ้ามันเป็นยุคที่ไม่มีศาสนาไม่มีคำสอนมันยากเพราะว่ามันต้องเดากันไปทดลองผิดลองถูกกันไปแต่ยุคนี้เป็นยุคที่ดีแล้วมีสัมมาสัมพุทธะอุบัติขึ้นและท่านก็ได้แสดงแจกแจงเอาไว้ ไม่มีปิดภาคคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงแสดงทั้งเหตุฝ่ายดีแสดงทั้งเหตุฝ่ายเสื่อมให้เราได้รู้ว่าเราจะดำเนินพาตนไปในทางไหนแล้วทางไหนบ้างที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงหลีกไกลแต่ถึงแม้จะเป็นในยุคนี้สมัยนี้ ที่คําสอนยังดีครบถ้วนกิเลสมันก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันมันก็พยายามปกปิดปิดบังเบื้องต้นก็ต้องปิดโอกาสก่อนปิดโอกาสที่เราจะได้รู้ได้เห็นได้มาฟังทรรมได้มาคลุกคลีอยู่กับหมู่ชนที่มีความประสงค์ มีความมุ่งหวังที่จะพ้นทุกข์แต่ถ้ามันปิดบังไม่ได้ได้เข้ามาในวงของหมู่ชนที่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติ ธ, ธรรมมันก็จะต้องพยายามทำให้เราคุยคุยมันก็มีได้หลายทางใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเหมือนคนไทยเนี่ย อยู่ในเมืองพุทธเป็นชาวพุทธแต่มันก็มีไม่มากที่จะเป็นกลุ่มที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งมั่นที่จะดำเนินแนวตามแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์เราก็จะได้เห็นว่าเยอะแยะมากมายเลยที่นับถือเฉพาะตามตา ม, ตามกันไปได้ขึ้นชื่อว่าเป็นชาวพุทธ แต่เนื้อแท้แล้วเนี่ยรู้ไหมว่าคำสอนเป็นยังไง ร, รู้รู้ตามตร ก, กะตามตามคำบอกเล่าแต่รู้นั้นอันนั้นเนี่ยมันรู้เข้าไปไม่ถึงใจมันไม่ลึกซึ้งเข้าไปถึงใจมันก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจอยู่อะไรดีไม่ดีแต่สุดท้ายมันไม่ได้ทําตาม ก็เลยกลายเป็นพุทธแบบสำนโกครัวไปยังไม่ได้เป็นพุทธแท้แล้วก็การที่าศาสนาพุทธในเมืองไทยเราเข้ามาทีหลังเนี่ยทีหลังพรามเนี่ยเพราะฉะนั้นความกลมกลืนในสมัยนี้หรือในสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นการกลมกลืนระหว่าง กับพรามไปด้วยมันยิ่งเป็นเครื่องมือชั้นดีให้กับกิเลสที่จะคอยว่าอันนี้ทาอันนี้ถูกแต่ที่ถูกอันนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกตามพุทธถูกตามพรามก็มีหลายหอย่างเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพุทธแบบแท้ๆไม่ใช่กึ่งพุทธกึ่งพรามเนี่ยก็เลย ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าศาสนาไหนไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าถ้าเราอยากจะไปให้มันสุดทางอยากจะพ้นทุกข์ให้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้า ก, ก็ประกาศเอาไว้แล้วว่ามันมีทางอยู่สายเดียวสายเอกสายเดียวที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แซึ่งมรรคนอกศาสนาไม่มี มันมีแต่ในศาสนาพุทธอ่ะซึ่งถ้าเราเป็นพุทธด้วยหน่อยหนึ่งเป็นพราหมณ์ด้วยอีกหน่อยหนึ่งมันก็อิละอิเลือ่อพูดไปอาจจะดูไม่ชัดเจนไงยกตัวอย่างอย่างที่เราไปอ้อนวอนขออย่างตรงไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ไปขอหวยบ้างขอให้ฉันผ่านอุปสรรคอันนี้ไปได้หรือหลวงพ่อองค์ที่ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไปบนบานสารกล่าวขอให้ท่านดนบรรดาให้สำเร็จมุ่งมาตรปรารถนาตามที่ได้คิดไว้ ถ้าถามว่านี้มันพุทธจริงไหมอันนี้มันคือพรามล้วนๆเลยพรามล้วนๆถ้าเป็นพุทธแท้ๆเราใช้การตั้งสัจจะอธิษฐานแต่ไม่ใช่การอ้อนวอนขอนะเพราะว่ามันก็บอกอยู่แล้วว่าทำได้เกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเหตุ แห่งทํานั้นๆเอาไว้เนี่ยซึ่งถ้าอยากจะให้มันดีมันก็ต้องทําเหตุให้มันดีเหมือนเราอยากจะให้ร่างกายเราที่หิวๆอยู่เนี่ยมันหายหิวมันก็ต้องกินไงต้องกินต้องดื่มแต่ถ้าไปอ้อนวอนขอแล้วไม่กินไม่ดื่มมันก็หายหิวไม่ได้อันนี้มันก็จะเห็นชัดหน่อย แล้วทุกวันนี้มันก็เข้ามาผสมปนเป์กันไปหมดแม้แต่ในวงนักบวช ด, ด้วยก็ยังมีความคิดเหล่านี้แทรกเข้าไปในคนที่บวชแต่เกโทษคนบวชพวกนั้นก็โทษร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ล่ะจะบอกว่าคำสอนก็มีแสดงไว้อยู่แต่พื้นเพเดิม เขาก็เป็นคนแบบนั้นมานะเป็นพุทธแบบพราำๆมันก็เลยทำให้ว่าถ้าเขาเข้ามาบวชแล้วไม่ได้ศึกษาอย่างเต็มที่ไม่ได้นำคำสอนมาใช้อย่างจริงจังมันก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมอะ ถึงแม้จะเป็นนักบวชก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นบุคคลจะใช้คําว่าอะไรดีเป็นกุลบุตรพุทธชิโนรทุกคนแต่คนที่จะเป็นพุทธบุตรได้จริงๆก็คือคนที่นำคำสอนมาใช้เอาคำสอนมาใช้ปรับปรุงตัวเองปรับปรุงจิตใจของตัวเองแล้วก็ทำผล ที่ได้จากการปฏิบัติตามคำสอนได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ส่งแสดงเอาไว้ซึ่งถ้าทำที่สุดแห่งทุกได้จบงานในศาสนาสามารถที่จะทำที่สุดจบพรหมจรรย์นในศาสนานี้ได้ ก็คือชื่อว่าเป็นกุลบุตรเป็นบุตรของพระพุทธองค์โดยแท้ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้มีจิตใจที่มันตั้งมั่นอย่างลงไปมีศรัทธาที่เชื่อมั่นในคำสอนให้มันอย่างเข้าไปในจิตใจให้มันเต็มที่มันก็อาจจะ ออกนอกทางได้ซึ่งกิเลสมันก็แน่นอนมันต้องอยากให้เราออกนอกทางอยู่แล้วมันก็มีหลายอย่างหลายเล่ร้อยสันพันคมน่แหละอย่างเราเกิดเป็นคนเราจะอยู่บนโลกใบนี้เราก็ต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยสี่ต้องทำมาหากิน ซึ่งคนที่อาจจะเข้าใจอยู่ว่าทุกในวัฏฏะถ้าเราทำหรือเราปฏิบัติได้จนจบปลายทางเราก็ไม่ต้องเวียนกลับมาเกิดมารับทุกในวัฏฏะวนแบบนี้อีกกลับซ้ำแบบเดิมอีกมันเข้าใจนะแต่ มันซึ้งลงไปในใจมากน้อยขนาดไหนการประพฤติปฏิบัติตนเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้ศรัทธาของเราเองมันจะเป็นตัวบ่งชี้ศรัทธาของเราว่าเรามีศรัทธามีความลึกซึ้งตั้งมั่นในคําสอนของท่านมากน้อยแค่ไหนมันก็ไม่มีใครบอกตัวเองได้เท่ากับตัวเองสํารวจตัวเองแหละ แต่อย่างน้อยๆถ้าเราสารวจมันทำเป็นเช็คลิสต์ของเราแหลว่าวันๆหนึ่งเราทำอะไรบ้างแล้วพฤติกรรมที่มันมีในแต่ละวันของเราเนี่ยมันบงชี้จิตใจของเราไปในทางไหนเป็นไปในทางคำสอนไหมเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายํำหนัดไหมหรือว่าเป็นไปเพื่อความสุขทางการเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่น เป็นไปเพื่อเห็นว่าอันนี้เป็นเราเป็นเขาถ้าเราได้สำรวจเราก็จะได้รู้ขึ้นมานะว่าเราเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนไอ้ที่เราคิดว่าเราอาจจะอยู่ที่เลเวลหแต่จริงๆอาจจะอยู่เลเวลสมแล้วจากการที่เราได้สำรวจ มันไม่ได้ห้ามเหมือนที่เราคิดนะหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าอยู่เลเวลแปดแต่จริงๆอาจจะอยู่เลเวลสองเพราะฉั้นการหมั่นสำรวจตนเองก็เป็นเรื่องสำคัญหมั่นสำรวจตนเองแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องสำรวจตนละ่ะมักแปดไงถ้าสารวจทางความคิดก็มีสัมมาสังกัปปะ เป็นไม้บรรทัดเป็นเส้นแบ่งเป็นเส้นเทียบเคียงมาตรฐานให้เร า, าเราคิดที่เบียดเบียนคนอื่นไหมเบิดเบียนตนไหมมีความคิดที่จะพยาบาทใครหรือเปล่าผูกพยาบาทใครไหมแต่ถ้าไม่มีความคิดที่เบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นไม่คิดผูกพยาบาทใคร อันนี้ก็เป็นเรื่องดีแ น, น่นอนเพราะว่าสัมมาสังกปัปปะเราก็ตรงตรงทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสดแสดงเอาไว้ให้แล้วข้อสำคัญของสัมมาสังกปัปปะอีกหนึ่งข้อก็คือเรามีความคิดที่จะหลีกออกจากกลางไหม ถ้าความคิดของเราเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความเพลินความยินดีในกามอันนี้มันมันก็ส่วนทางพอมันไม่ได้ทางมันก็ทำให้เราไปข้างหน้าลาบากซึ่งเธอความคิดของเราโดยส่วนมากในหนึ่งวันเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการหลีกออกจากกามน้อย ผลที่ได้มักมันก็อ่อนกำลังแน่นอนอันนี้ก็เฉพาะสัมมาสังกัปปะคือความคิดเนี่ยอันนี้คือทางเขาเรียกว่าเส้นสุดท้ายอ่ะเส้นสุดท้ายถ้าเราเกินเส้นนี้ไปมันเหมือนเรายืนอยู่ปากเหวอ่ะอันนี้คือท่านขีดขอบปากเหวเอาไว้ว่าอย่าให้มันหลุดออกจากตรงนี้นะ ส่วนถ้าเราจะขยับเข้าไปข้างในตัวผืนแผ่นดินมากเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ยิ่งดีหมายถึงว่าถ้าเรามีความคิดที่เราจะให้ทานมีความคิดที่เราจะมานั่งสมาธิภาวนามีความคิดที่เราจะชักชวนคนอื่นมาให้ทานทำบุญหรือมาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีก็เหมือนกับเราได้ขยับ เข้ามาในโซนที่มันปลอดภัยขึ้นแต่เส้นสัมมาสังกปะที่พระพูทชาจ้าขีดเอาไว้มันก็เหมือนปลายขอบเหวว่ะว่าห้ามเกินตรงนี้มานะถ้ามันเกินตรงนี้มาเนี่ยไม่ได้ไม่ปลอดภัยเสื่อมแน่นอนเพราะฉะนั้นสัดส่วนเน่ยในวันวันหนึ่งของเราอ่ะก็ต้องอย่าให้มันหลุดออกจากรอบ มากจนเกินไปหรือถ้าใครไม่หลุดออกจากกรอบเลยก็ยิ่งดีแล้วก็จะไม่มีใครรับประกันให้เราได้เท่ากับเรารับประกันตัวเองเนี่ยแหละ ว, ว่าข้อประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยมันมันอยู่ในกรอบที่ดีเรามีวินยัยเรามีกำลังใจที่เราจะตีกรอบชีวิตของเราให้มันอยู่ในโซนที่ปลอดภัย ซึ่งเราบอกว่าเราไม่ทำความชั่วแล้วเราก็ต้องทำความดีควบคู่กันไปด้วยไม่งั้นมันไปต่อลำบากอย่างพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ว่าสับบปปปาปัสะอกระหนังคือการไม่ทำชั่วไม่ทำบาตทั้งปวงกุศุลสู้พระซ้ำพทาก็คือการทำความดีให้มันถึงพร้อมสจิตตาปริโยดาปะหนัง คือการทำจิตใจให้มันผ่องใสเอตังบุตธานศาสนังอันนี้คือคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายไม่ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้ากี่พระองค์พระองค์ก็อยู่ในกรอบนี้ทั้งนั้นถ้าคนที่จะพ้นทุกข์สข้อเป็นเงื่อนไขที่จะต้องทำให้มันบริบูรณ์น่ะคือไม่ใช่ว่า ทำข้อใดข้อหนึ่งแล้วมันจะจบไม่ใช่นะคือมันต้องอันนี้มันเป็นสามสามด้านสามมุมหรืออะไรเงี้ยแต่มันคือก้อนเดียวกันมันก็เหมือนกับไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอณตามันไม่ใช่ว่าแยกออกจากกันนะมันก็เป็นคุณลักษณะของอันอันหนึ่งของสามัญลักษณะที่ เราแยกเอามาพูดกันนะเราจะพูดในแง่ของความไม่เที่ยงก็พูดไปเราจะพูดในแง่ของความทุกข์ก็ปวดไปเราจะพูดในแง่ของเรื่องอนัตตาก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ว่าจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นก้อนเดียวกันนั่นแหละ school. เป็นคุณลักษณะของเราบอกว่าเป็นตัวเราเราก็ตกอยู่ภายใต้ทางอนิจจังทุกขัอนัตตาทั้งนั้นแหละเราจะบอกว่าตกอยู่ภายใต้ของ อันนี้จังอย่างเดียวไม่ตกอยู่ภายใต้ทุกขังหรืออนัตตามันไม่ใช่เพียงแต่เราจะหยิบแงไหนมาทำความเข้าใจกันเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันกรอบทางเดินที่พระเจ้าตีกรอบไว้ให้คือการไม่ทำความชั่วไม่ทำบาปทั้งปวงการทำความดีให้มันถึงพร้อมการทำจิตใจให้มันผ่องใสมันเป็นก้อนเดียวกัน เราจึงจำเป็นจะต้องทำให้มันบริบูรณ์ทั้ง3าตัวทำความดีให้มันถึงพร้อมด้วยคนที่รักษาสิ่นดีแล้วแต่ไม่รู้จักหัดทำความสงบไม่หนึ่งสมาธิแน่นอนว่ากิเลสมันก็โดนขัดไปแค่ระดับเดียวแต่ถ้าใครมีความคิดที่จะหลีกออกจากกาม แล้วก็มาทำความสงบทางด้านจิตใจมีความตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งคุณสมบัติของใจหรือสภาวะจิตใจของคนนั้นมันต้องดีกว่าแน่นอนดีกว่าคนที่มีแต่ศีล ร, รักษาศีลแต่ไม่ได้หัดทำความสงบศีละปริภาวิโตสมาธิมหัปโลโคติมหานิสังโซ สมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วเนี่ยมันก็มีผลมากมีผลผลผลมากนะซึ่งเราจะบอกว่าเอ้ยเราเข้าสมาธิอย่างเดียวเราไม่ค่อยแยแสหรือเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการ ร, รัก ษ, ษาศีลมันก็มันก็ได้อะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยส่วนมากสมาธิเราจะทาความสงบใจเนี่ยมันก็ทำยากทาได้ก็ได้ผล ไม่ดีเท่าที่ควรหรือไม่ถ้ามันแย่ๆหน่อยก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิไปซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นทางแยกที่กิเลสมันก็จะให้เราเป็นทางหลอกล่อเรานะให้เราไม่ตรงทางบ้างให้เราเกือบถูกทำเกือบถูกแต่ไม่ถูกก็มีเยอะโดยเฉพาะ คนที่ยังอบรมอินทรีย์ได้ไม่ดีความเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏฏะยังไม่มากยังไม่ลึกซึ้งลงไปในที่จิตใจเท่าที่ควรมันก็จะเห็นสาระสำคัญของสมมุติของโลกมากกว่าที่เราจะเห็นถึงคุณค่าของธรรมะของการหลุดพ้นออกจากทุกข์ ก็เหมือนทั่วๆไปอะ่ะมันก็เอาการงานเอาปัจจัยสี่ต้องหาอยู่หากินแลพวกนี้มาหลอกล่อเราอะ่ะนี่เป็นเรื่องง่ายๆแหละงานก็ยังไม่เสร็จงานก็สำคัญเออเราจะพัฒนาธุรกิจของเรายัางไงให้มันเติบโตไปได้ไกลอ่เหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของธรรมะ มันก็จะเป็นส่วนทางแยกอะที่ทำให้ให้เราโดนตัวกิเลสมันดึงใจเราออกไปปันปันออกไปปันใจของเราออกไปจากทางที่จะทำให้เราเห็นถึงโทษภัยในวัตตะทำให้เราเข้าถึงความหน่ายความคลายกำนัดได้ แต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสาระเหมือนอย่างที่มันหลอกล่อให้เราเราเห็นตามมันน่ะตายไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งธุรกิจที่เราสร้างไว้อย่างดีเงินทองที่เรามีครอบครัวของเราผูกพันกันยังไงสุดท้ายไปถึงเวลามันก็ ก็าต้องไปคนเดียวอ่ะตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะทำให้เราไม่ประมาทที่จะพยายามสร้างความดีให้กับตนแต่ไม่ใช่ว่าพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะดีโดยถ่ายเดียวนะกิเลสมันก็แทรกได้อาจถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องเอาอะไรเลย มันก็ไม่ใช่เราอยู่บนโลกสมมุติเราก็ต้องใช้สมมุติให้มันเป็นเพียงแต่ว่าเรามีความจริงที่เราพิจารณาดีแล้วเนี่ยที่จะไม่ทำให้ใจของเรามัวเมาประมาทไม่ให้ใจของเราหลงเพลิดเพลินยินดีไปในสมมุติไปใน ความสุขทางกามโดยที่ไม่มีเบรกข้ามล้อเลยโดยที่ไม่ได้เห็นเลยว่าความจริงมันคืออะไรสาระแก่นสารมันมีจริงแท้ขนาดไหนเพราะความจริงที่เราพิจารณาดีแล้วนี่แหละจะทําให้เราใช้สมมุติได้อย่างดีดีกว่าเดิมแล้วเราก็จะพาตนให้เดินบนทาง เส้นวิมุตให้มันไปได้สุดทางด้วยก็เริ่มที่พยายามมีสติเห็นกายเห็นใจใได้บ่อยๆพยายามที่จะมีสติคอยระลึกเห็นโทษของกรมให้ได้บ่อยๆ